อากูโซลมูนวันที่28กุมภาพันธ์2558ก็ขอกาบนมัสการพระคุณเจ้าสำมเนินคุณไมชีกาลยมิตรทุกคนนั่งสบายๆเนาะพอบอกว่าทุกคืนวันเสาร์แต่บางวันเสาร์ก็ไม่ได้พูดเนาะบางทีภาษาเป่งออกไปมันก็ เรียว่าอะไรบีบคอตัวเองถ้าเราบอกทุกคืนวันเสาร์ก็ต้องมาบีวันเว้นเสาร์ไหนก็ต้องพูดเนาะอันนี้มันก็ไม่เที่ยงก็พราครูจะแจ้งเรื่องวันมาค่าบูชาก็เป็นปกติไม่มีอะไรพิเศษนะเป็นประเพณีสวยๆงามๆเราก็รักษาไว้ <c oughs> ตอนเช้าก็หกโมงครึ่งนะ พระภิกษุไม่ชีสัมมนเณรก็บิณฑบาตกันที่ใต้ฐานพระใหญ่พวกเราก็ทำบุญใส่บาตรตอนเช้าตอนเย็นทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็ไปเวียนเทียนที่บริเวณใต้พระใหญ่แล้วก็กลับมาปฏิบัติเป็นปกตินะไม่มีอะไรเป็นพิเศษมันเป็นวิถีก็เสานี้ก็มีคำถามนะ พระครูก็ไม่ต้องหาอารมณ์ใหม่หรือใครอยากขึ้นหน้าหนึ่งยกมือขึ้นพระครูพูดได้ทุกเรื่องนะใครสนใจนะไม่ชีไม่สนใจคำถามแรกเพิ่งได้เมื่อกี้เนี่ยก็เจ้ากรรมนายเวรหมายถึงอะไรเช่นบอกว่ากาลังโดนเจ้ากรรมนายเวรมาทวง หมายถึงจิตดวงอื่นมาทวงหรือจริงๆคือจิตเราเองค่ะตอบก่อนว่าไม่มีอะไรจริงสัอย่างหนึ่งถึงมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นชั่วคราวเจ้ากรรมนเวรถ้าเราฝึกจิตเนี่ยในช่วงที่เราอยู่ในกรรมฐาน น, น่ะมันมีอารมณ์นเนอารมณ์นี่เจ็บปวดเหมือนถูกหักบีบคออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของจิตเดิมเรา นะแต่ถ้าชีวิตเราข้างนอกอย่างคนจีนเขาเขารักลูกเขาเขาก็เรียกลูกเขาอย่างภาษาจีนแจ้าจิ๋วบกทอแ้เกี่ยก็คือไอ้ลูกไอ้ลูกทวงหนี้ไอ้ไอลูกเวนนะนั่นล่ะกันนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรเราละ่ะที่เราเกิดมาเป็นคู่ผัตวตัวเมียเป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายบวกกับฝ่ายลบเราสร้างบุญมาด้วยกัน ถึงจะได้มาเกิดร่วมกันแล้วก็สร้างกรรมมาด้วยกันด้วยมีทั้งสองด้านนะส่วนไอ้เจ้ากรรมในเวีภายนอกเนี่ยเราเปลี่ยนเขาไม่ได้นะเราเปลี่ยนเจ้ากรรมในเวีนที่มันบันทึกในจิตเราได้นะอย่างองค์กุลิมานเนี่ยนะในชาติสุดท้ายเนี่ยฆ่าคน9ก้า้อยเแล้วก็ตัดนิ้วมาแขวนคอนะ ไอ้คนที If, animal, ่ถูกฆ่าเนี่ยถ้าเขาก็บันทึกว่าเราฆ่าเขาลูกเมียเขาก็บันทึกในจิตเขาว่าเราเป็นฆ่าเขาเขาก็กลายเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราวันนี้คือเจ้ากรรมในเวรภายนอกเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เราไปล้างจิตเขาไม่ได้แต่เรามีหน้าที่ล้างเจ้ากรรมในเวรที่เราบันทึกไว้ว่าเราบันทึกเองนะเราล้างตรงนี้ได้นะก็มันไม่มีตัวไม่มีตนอะไร เพราะเป็นว่าอย่าไปหาคำตอบนะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิ น, นส่วนมากไอ้คานี้พวกครูพูดบ่อยๆเน้นบ่อยๆแต่พอถึงเวลาปุ๊บไอ้ความอยากรู้ของเราก็ลืมคำนี้นะก็อยากรู้อีกว่าทำไมทาไมพอพูดว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ปึ๊บเราก็ไปจําไว้เนี่ยครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้ก็ไปนั่งเถียงกันทะเลาะกั น, นพอพูดป๊บ มันไม่ใช่ความจริงแล้วมันเป็นความเห็นถ้าเราเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยเราสัมผัสอารมณ์นั้นได้ว่าโอ้ยเหมือนเราถูกหักคอหักขห า, กขาหรืออะไรเนี่ยนะเราสัมผัสอารมณ์นั้นได้จริงๆเราเห็นสิ่งนั้นจริงๆแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นธรรมอารมณ์มันเป็นอุปทานของจิตแต่ถ้าเรามาพูดภาษาปุ๊บอันนี้กลายเป็นความเห็นแล้วเนาะเพราะภาษามันหยาบเกินไป ถึงว่าอย่าพยายามหาคำตอบด้วยเหตุผลแบบตักกะโดยใช้ภาษามนุษย์ทะเลาะกันทุกวันนี้เพราะอะไรเห็นไหมเดี๋ยวบางเนมีน ม, มีอีกคำถามหนึ่งจะตอบตรงนี้ไปด้วยนะพูดรวมๆกันไปนะก็คำถามต่อไปเวียงไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งที่พวกครูย้ำบ่อยๆคือตัวเราธาตุทั้งสี่มันเป็นหนึ่งเดียว กับธาตุทั้งสี่ของโลกที่แวดล้อมอยู่รอบตัวเราใช่ไหมคะแบบจิตจักรวาลอะไรทำนองนั้นแ่ะครับมันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งนะหนไหมอย่าพยายามหาคำตอบให้เป็นภาษาตายตัวมันจะกลายเป็นองค์ความรู้เป็นความเห็นขึ้นมาอีกเพราะครูบอกแล้วเพราะภาษามันหยาบเกินไปอ่ะนะ ความจริงท anyway, ี rated, ่ท so so ah really ี่เราสัมผัสอารมณ์นั้นน่ะถ้าเราไปพูดปุ๊บว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บความจริงที่เราสัมผัสนั้นมันจะกลายเป็นความเห็นทันทีแล้วก็เอาความเห็นนั้นมาแสดงความเห็นกันคนนี้ปัญญาต่างกันฟังปุ๊บก็ขัดแย้งกันนะจากความจริงกลายเป็นความเห็นอารมณ์นั้นเราสัมผัสอารมณ์นั้นจริงๆ อารมณ์นั่นอะจริงแต่ภาพนิมิตนั้นอะมันไม่จริงมันเป็นอุปทานซึ่งจิตเดิมเราสร้างนิมิตน่ยให้เราเข้าใจอารมณ์นั้นเข้าใจอารมณ์นั้นก็จบนั่นคือธรรมในธรรมนั่นคือธรรมอารมณ์แต่ถ้าเอาความความจริงที่เราสัมผัสอารมณ์นั้นอะมาตั้งชื่อไปเรียกมันปุ๊บกายเป็นความเห็นเป็นแค่องความรู้แล้วมันก็จะสับสนนะก็ก็ข้อนี้เดี๋ยวก็จะโยงไปข้อสุดท้ายนะ ข้อแรกกับข้อที่สองเมื่อกี้นีโยงโยงกับที่ พ, พ่อปูจะพูดข้อที่สามแล้วก็ต่อไปไม่เข้าใจกับคำว่าการมรรลุธรรมเกิดขึ้นจากการสแสวงหาที่ล้มเหลวคำนี้ พ, พ่อปู่จาได้ พ, พ่อปูเป่งของมาเองเมื่อ26ปีก่อนหลังจากคืนนั้นมันเกิดอาการระเบิดนะมันเกิดอาการระเบิด พกควมไม่ได้เปล่งวาจามันแต่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นบอกเข้าใจละการมารู้ธรรมเกิดขึ้นการจากการสแสวงหาที่ล้มเหลวสแสวงหาอะไรคนทุกคนทุกวันนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ไม่ใช่ทาสานทาสามันไม่รู้ด้วยว่าความสุขคืออะไรความทุกข์คืออะไรแต่คนส่วนใหญ่ในสังคม คุณนิยมวัตถุนิยมในยุคนี้เนี่ยทุกคนสแสวงหาความสุขเป็นเป้าหมายชีวิตผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดสุขก็ดีแล้วอย่าไปหาเรื่องทุกข์แต่บังเอิญเราเข้าใจความสุขไ ม, ไม่ตรงเราเข้าใจว่าต้องมีอนาคตต้องมีทรัพย์สินเงินทองต้องมีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคงแล้วค่อยสุขไอ้ตัวนี้เป็นประเด็นอันนี้กลายเป็นเห็นผิดเป็นชอบแล้ว คำว่ารวยแปลว่ามีเงินเยอะไม่ได้แปลว่าสุขคำว่าจนแปลว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกแต่เราถูกใส่โปรแกรมเข้าไปทั้งทางตรงทางอ้อมนะเขาไปโรงเรียนเขาก็สอนแบบนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็สอนแบบนั้นสังคมก็ทำเป็นแบบนั้นจริงๆเลยเแลเราเร า, เราจะเร า, เราก็กลายเป็นแบบนั้นแล้วก็เข้าจะว่าชีวิตต้องสู้ต้องสร้างฐานะต้องสร้างอนาคตถ้ามีอนาคตแล้วนัิน อนาคตมีอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็อนาคตปีหน้าก็อนาคตมันมีอยู่แล้วแต่อนาคตของเราหมายถึงว่าเราต้องร่ำรวยมั่งคัง่งต้องมีเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ถึงจะมีความสุขทีนี้บังเอิญคำว่ารวยเนี่ะมันอันลิมิตคือมันไม่มีขอบเขตจำกัดแค่ไหนละรวยะสิบบาทรวยไหม ร้อยบาทรวยไม่หมื่มนบาทแสนบาทแสนล้านหนึ่งล้านล้า น, านรวยไหมแค่ไหนละมันรวยเห็นไหมแค่ไหนมันถึงจบว่าเออรวยแล้วฉันหยุดในโลกนี้ไม่มีใครหยุดเลยแม้กระทั่งคนที่หนึ่งของโลกรวยที่สุดเขา ก, ก็ยังไม่ได้หยุดไงเห็นไหมเราไปตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเห็นผิดเป็นชอบอย่างหนึ่งมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็เลยไม่มีวันสุขเพราะ เราไม่มีวันรวยเพราะรวยแปลว่ามีเหลือล้นพอแล้วถ้ายังไม่พอแสดงว่าเรายังจนอยู่ต้องยังอยากจะรวยขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่มั่นคงสักทีหนึ่งเห็นสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นกบบาลังลงไปนอนมันค้ า, ามันมีลอยชั้นเฮ้ยนอนไม่ได้แล้วเดี๋ยวสู้มันไม่ได้ก็กัดฟันสู้ทนมาสร้างต่อถึงเก้าสิบเก้าชั้นกำลับบงจะขาดใจตาย มองไปอีกแค่ชั้นเดียวเสียดายเสียดายแต่ไม่มีแรงแล้วจริงๆเห็นไหมตายไม่ลงนะยังเรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกลวมันไม่ทุกข์เหมือนเราตลอดชีวิตเราก็เลยไม่มีวันสำเร็จสำเร็จไปว่าเสร็จแล้วเพราะเราเรามีมิจฉาทิฏฐิเราเห็นผิดเป็นชอบเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดเราเข้าใจภาษาผิดนะก็พวกครูเองเนี่ย ก็ถูกสอนแบบนี้ตั้งแต่เด็กล่ะเล่นเก่งๆนะออหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขก็ซื่อสัตย์ตั้งมัน่นจะมีโอกาสไปใช้ชีวิตที่อเมริกาไปสู้ศึกเวทีใหญ่ของโลกแล้วบางเอยมันก็มีระดับหนึ่งมีจนว่าเราไม่เดือดร้อนล่ะจะซื้ออะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่พวกครูหาความสุขไม่เจอพวกครูทุกข์มาก เพราะขาูหาความสุขไม่เจอเนี่ยะการสแสวงหาไม่ใช่การบรรลุธรรมเกิดขึ้นจากการสแสวงหาที่ล้มเหลวเพราะขูล้มเหลวกับการสแสวงหาความสุขเพราะขูไม่เจอเพื่อไม่ไ่เจอแล้วเนี่มันเกิดความเบื่อหน่ายมันก็จางคายความยึดมั่นทั้งหมดเมื่อมันวางแล้วมันก็ว่างเมื่อ ว, ว่างแล้วมันก็สงบถ้ายังสแสวงหาอยู่เนี่ย เราจะไม่มีวันสำเร็จเพราะยังแฝงด้วยความอยากอยู่วินาทีนั้นน่ะมันอยากจนมันหายอยากจนมันเกิดความเบื่อหน่ายจนมันวางความอะไรละ่ะเป้าหมายชีวิตที่ถูกตั้งโจทย์ไว้เพราะว่าอยากมีอะไรก็มีแล้วทำไมมันไม่สุขวินาทีนั้นพ่อครูสัมผัส อารมณ์นี้ได้ว่าการบรรูุธรรมเกิดขึ้นกากจากการสสแสวงหาที่ล้มเหลวเหมือนกันเหมือนเรามุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อจะไปนิพพานเริ่มจากเรามีความอยากก่อนทำไปทำมาทำไปทำมาเอ๊ะทำไมไม่ไปสักทีหนึ่งวะนะเมื่อไหลนอจะถึงนออะไรเนี่ยเนี่ยนะถ้าเราไม่หยุดทำนะ ซับไปเรื่อยๆแล้จะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเราจะจางคลายความยึดมั่นกับความอยากจะไปนิพพานเมื่อเราวางความอยากแล้วน่ยเมื่อเราวางแล้วเราก็ว่างสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเขาจะเกิดขึ้นมนุษย์เราไม่บังอาจจะสร้างให้มันเกิดขึ้นจะสั่งให้มันเกิดขึ้นมนุษย์เราต้องนอบน้อมถ่อมตนเราตัวเล็กๆเองแต่เรามีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น เขาจะเกิดขึ้นเมื่อเขาจะเกิดขึ้นเขาจะเกิดขึ้นเมื่อเราหมดความอยากนะก็ข้อสุดท้ายเนี่ยอันนี้มันพระกูกุว่ ด, ดีคำถามนี้ก็คือว่ามันเกี่ยวกับวิถีเราแล้วก็ปัจจุบันทั้งโลกกำลังทะเลาะ ก, กันไม่หยุดลามมาถึงประเทศไทยแล้วก็ไม่ร่างว่างเว้น ไม่ว่างเว้นแม้กระทั่งเรื่องศาสนากูจะยื้ อ, อกมดเลยคุยกันไม่รู้เรื่องทุกคนก็อ้างพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าคำเดียวเนี่ยตีความไม่เหมือนกันขัดแย้งกันจนไม่ละเว้นว่าใครเป็นใครนะคือทุกอย่างสมมุตินั่นแหละนะอย่างศาสนาก็สมมุติ ธรรมะจริงๆมันไม่มีศาสนาหรอกศา ส, สนาเป็นองค์กรที่เขาสร้างขึ้นมาทีหลังเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคําสอนพุทธองค์แต่เป็นสมมุติแต่มันไม่มีอะไรเสียหายมันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเรามีโรงเรียนเนาะเรามีโรงเรียนศูนย์พรลานข่อยโรงเรียนศูนย์พระลานคอยสองบ้านด่านเม่นพ่อครูไม่เคยคิดว่าเป็นของพ่อครูมีโรงเรียนก็ให้มันมีมั น, นรนการเป็นเครื่องมือในการสอนเด็ก นะให้เด็กมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ให้เขาเกิดมีความรู้แต่เราไม่หลงมันว่ามันเป็นของเร า, าศาสนาก็เหมือนกันแต่ทีนี้มันสมมุติแล้วก็มีผู้อานวยการมีครูใหญ่มีครูอะไรมันก็เป็นชื่อสมมุติมันไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกเราก็ไม่ได้หลงสมมุตินั้นนะแต่ทุกวันนี้แล้วเนี่ยที่ทะเลาะ ก, กันคำตอบอยู่ที่วันนี้พกครูจะพูด ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะทั้งโลกมนุษยชาติเราตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคุยกันไม่รู้เรื่องนะที่บอกว่าจบด็อกเตอร์คุยกันไม่รู้เรื่องจบสูงสุดแล้วไงเรียนวิชา เ, เหตุผลแล้วทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะคำที่เขาถามมาเนี่ยคือว่าอัคติกับสัญชาตญาณต่างกันอย่างไร เป็นคำถามง่ายๆแต่พ่อคูก็ถือโอกาสนี้โอเคเอาตัวนี้นรามาเปิดประเด็นนะก็เป็นเรื่องนี้ต้องระวังเพราะมันเป็นเรื่องที่คำว่าอัคติสัญชตาตญาณมันก็อยู่ในภาษาพุทธศาสนานะทีนี้พ่อคูจะเรียบเรียงชี้เราเห็นที่มาที่ไปของมันถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ย เราจะเข้าใจว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วควรจะแก้ที่ตรงไหนนะทุกอย่างมันมีปลายเหตุมันมีเหตุมันมีสาเหตุมันมีต้นเหตุส่วนมากทุกวันนี้เราแก้ที่ปลายเหตุกันแม้ทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์แม้กระทั่ง ทุกปัญหาที่เราเกิดขึ้นเราแก้ปลายเหตุหมดเห็นหปวดหัวกินยาพาราเอ้ยมันหายจริงๆนะเดี๋ยวลทิ์ยามันหมดก็ปวดอีกนะเราแก้ที่ปลายเหตุปัญหามันถึงแก้ไม่ได้เลยชีวิตเราก็เหมือนกันทนะเลาะ ก, กันทุกวันนี้เพราะว่าทุกคนอ้างเหตุผลอะไรแต่ทุกคนมีปัญญาแค่นั้นนะ่ะก็ไปแก้ที่ปลายเหตุ ปัญหาการบ้านการเมืองปัญหาสังคมอะไรเนี่ยประวัติศาสตร์โลกกี่พัน ป, ปีกี่หมื่นปีมาแล้วเนี่ยทำไมปัญหามันถึงไม่จบยิ่งเรียนทุกวันนี้เก่งๆมากมีเทคโนโลยีมากมีความรู้มากเลยแล้วทาไมยิ่งปัญหาเยอะเพราะเราแก้ไม่ตรงจุดเพราะเรามีแค่ความรู้ที่เราเรียนเป็นความรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นมันไม่ใช่ความจริงซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเราไม่เห็นต้นเหตุของปัญหานะก็ อคติกับสัญชาตญาณต่างกันอย่างไรเคยได้ยินพ่อครูกล่าวว่าตัดสินใจเพราะรักก็เป็นอคติอันนี้มีคนถามพ่าครูแล้วก็รักกันไม่ดีอย่างไรทีนี้พูดเรื่องสัญชาตญาณก่อนสัญชาตญาณเนี่ยเป็นเรื่องของสัญญาเดิมเป็นเรื่องที่มันติด จิตเดิมเรามาแล้วตั้งแต่อดีตแต่ชาติที่พระครูเคยยกตัวอย่างบ่อยๆว่าชาตินี้เกิดมาเราเจอในกอไม่เคยเห็นหน้ามันเลยนะยรู้สึกหมันไสมนหมันไสไม่ชอบคีดหน้ามันเลยโดยที่ไม่รู้จักกันเลยนะพอไปเจอในขอนี่ถูกชะตามากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอันนี้เป็นของเก่าอันนี้เป็นของเก่านะ เหมือนทุกตัวอย่างที่พ่อคุยยกตัวอย่างบ่อยๆเหมือนกันว่าปลาน้ําจืดเนี่ยปลาเป็นทวนน้ําปลาตายตามน้ําทําไมปลาน้ําจืดเขาต้องรู้ว่าต้องว่ายทวนกระแสว่ายทวนกระแสมันต้องใช้พลังเยอะนะต้องใช้แรงเยอะทําไมมันไม่ตามกระแสไปเลยไม่ต้องออกกําลังเลยเห็นไหมทําไม มันต้องทวนกระแสมันเป็นสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญานในอดีตชาติเขาจำได้หมายรู้ว่าต้องทวนกระแสถ้าเขาตามกระแสออกไปเขามักง่ายออกทะเลมันตายหมดแล้วทำไมมันรู้ต้องต้องทวนกระแสมันเป็นสัญชาตญาณไงแล้วทีนี้คนเราบางทีมักง่ายเห็นเขาวิ่งก็วิ่งตามเขาไปเลยทาไมเพราะเราเรากลัวจะไม่ทันคำว่ากลัวนะจดไว้นะีมีคำหนึงและคาว่ากลัวที่จะไม่ทัน ทีนี้ไอ้ปลามันไม่ตามพาออะไรเพราะมันไม่ได้ไปโรงเรียนมันไม่ได้เรียนรู้คำว่ากลัวมันไม่ได้เรียนรู้ว่าคำว่าจะชนะสัญชาตญาณตามธรรมชาติมันยังอยู่มันก็ทวนกระแสะอันนี้คือสัญชาตญาณส่วนอัคตินั้นน่ะเกิดขึ้นจากชาติปัจจุบันอัคติเกิดขึ้นจากชาติปัจจุบัน ทีนี้ในทางวิชาการทางปริยัติเนี่ยเขาแปลตรงๆว่าความลำเอียงหมายถึงความเอ็นเอียงเข้าข้างความไม่ยุติธรรมความไม่เป็นกลางความไม่มีหลักนะทีนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ ทำไมเขาเลือกที่รักมักที่ชังเห็นไหมแต่สัญชาตญาณที่พระกูบอกเจอในกอมันไส้เจอในขอถูกชะตาเนี่ยไอ น, นี้ไม่เกิดจากอคติมันเป็นสัญชาตญาณเดิมชนนั่นเองแต่เขาหมันไส้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้เครียดแค้นจนว่าจะไปฆ่ามันแต่อคตินี้เนี่ยฆ่าได้ทำลายได้ทุกอย่างนะทีนี้อคติ ในทางปริยัตในทางวิชาการคือเราเรียนรู้ไปด้วยกันทำใจเย็นๆนะอย่าพึ่งเบื่ออะไรเนี่ยเพราะครูเป็นคนหนึ่งเนี่ยไม่อ่านหนังสือมีวิชาการเพียงแต่ว่าเวลานี้เนี่ยบางทีเราต้องการเหตุผลเอ๊ะผู้เจ้าสอนอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวคนอื่นแย่หน่อยแล้วก็เป๋ตอนนี้มันทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองระดับชาติเรานะ ตอนนี้จะล้มกันเลยเสถาบันศาสนาเละตุ้มเป้หมดเลยไงมีแต่ผู้รู้ทั้งนั้นนะนะมีแต่รู้มากรู้ภาษาแต่ไม่รู้ความจริงมันถึงทะเลาะกันนะทีนี้อคติในทางาศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าอคติมีอยู่สี่อย่างอันนี้ต้องฟังนะมันไม่ใช่เรื่อง วุ่นวายสับสนอะไรเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าฉันฉันทาคติฉันทาคติคือลำเอียงเพราะเราชอบเพราะเราชอบถ้าเราชอบในกอมันขออะไรเออเอาไปเถอะไม่เป็นไรเพราะเราให้มันเพราะเราชอบนะ อันนี้คือเราตัดสินใจลำเอียงเพราะเราชอบอันที่สองคือโทสาคติก็คือโทสานั่นแหละเราลำเอียงเพราะเราชังโทสาคติคือเราลำเอียงเพราะเราชังมันเราเกลียดมันเป็นพื้นฐานพอมันขอบอกไม่ให้การตัดสินของเราเนี่เกิดจากอกคตินะเพราะจิตเราไม่เป็นกลางเกิดจากอารมณ์ที่เราชังมัน เมื่อกี้เราตัดสินใจให้มันก็เกิดจากอคติเพราะเราชอบมันอันหนึ่งอันนึงชอบนะอันที่สองชังอันที่สามพยาคติลำ เ, เอียงเพราะเรากลัวทุกวันนี้นี่ยิ่งเรียนสูงสูงยิ่งกลัวไปหมดเลยกลัวว่าจะแพ้กลัวว่าจะเสียเปรียบเห็นไหมแล้วก็อ้างเหตุผลต่างๆ ยกแม่น้ำทั้งหมดมาหาสมุทรทั้งหมดเพื่อมาสนองตอบความกลัวว่าเราจะแพ้พูดยังไงก็ได้ให้มันชนะอันนี้คือเรียกว่าพระยาคติคือลำเอียงเพราะเรากลัวนะอันแรกคือชอบอันที่สองคือชังอันที่สามคือกลัวนะไม่นอกเหนือจากสิ่งนี้อันที่สี่คือ โมหาคติคือโมหนะนั่นแหละลำเอียงเพราะเราหลงลำเอียงเพราะเราหลงนี่คืออคติสี่มีชอบมีชังมีกลัวมีหลงแล้วทุกคนเนี่ยฟังไปด้วยแล้วมองเข้าไปหาตัวเองว่าเรามีตัวตัวใดบ้างหรือว่ามีทั้งสี่นะถ้ามีเยอะเท่าไหร่ ก็อันตรายเท่านั้นนะอคติเนี่ยจึงตัดสินจากอารมณ์ชอบชังกลัวหลงไม่ได้ตัดสินตามความเป็นจริงนะชอบก็คืออารมณ์ชังก็คืออารมณ์กลัวก็คืออารมณ์นะหลงก็คืออารมณ์ ทีนี้และไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเรารู้แล้วมันไม่ดีขนาดนี้เราททำไมมันมีอยู่กับเราล่ะเห็นมทาสานมันมีไหมทาสานมันมีอคติไหมไม่มีมันมีสัญชาตญาณมันไม่เคยทะเลาะกัลิง มันไม่มีความชอบความชังความกลัวความหลงบางครั้งมันป้องกันตัวเองโดยสัญชาตญาณมันตอนนั้นเองนะทีนี้ไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นอละละมันเกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรเพราะครูจะไล่ไปเรื่อยๆนะนะจะให้ทุกคนรู้เหตุสาเหตุต้นเหตุของมันแล้วเราจะมีคําตอบว่าพวกเราจะเสียเวลามาปฏิบัติธรรมทาไมนะเพราะคูไล่ไปเรื่อยๆนะ แล้วก็ถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วถ้าปัญญาเราไม่ถึงล่ะเราจะงงไปหมดเลยนะแต่หนังสือหลอกพระครูไม่ได้แต่หนังสือนั้นไม่ได้เขียนอะไรผิดเลยอยู่ที่ว่าเราจะมีปัญญาเข้าใจอัฏะในพยัญชนะนั้นแค่ไหนทีนี้ที่มาของอคติเนื่องจากมีตอบสั้นๆนะ อกุศลลมูลอกุศลลมูลนะทีนี้อกุศลลมูลมันคืออะไรนะเราไล่ไปเรื่อยๆนะอกุศลลมูลเนี่ยคือลากเง่าของอกุศลอกุศลในนี้เนี่ยมันเป็นคำตรงข้ามกับกุศลมันเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายกุศลคือฝ่ายดีนะอกุศลลมูลมูลคือมูลเหตุ ก็คือลากเง้าของอกุศลต้นเหตุของอกุศลที่เกิดที่เกิดของอกุศล น, นะอกุศละมูลเนี่ยไอ้มูลตัว น, นี้คือลากเง่าคือต้อนเหตุคือที่เกิดของอกุศลซึ่งตรงกันข้ามกับกุศลลมูลนะทีนี้อกุศลละมูลมันคืออะไรนะเอาละมันคือต้นเหตุมันคือลากเง่า ม, มันคือที่เกิดของอกุศลอกุศลละมูลเนี่ยหมายถึงต้นเหตุหรือสาเหตุให้ทำบาปอากุศลหรือความชั่วร้ายต่างๆมีอยู่สามอย่างคือมีสามอย่างนะมีอยู่สามอย่างที่เราเรียกโรคกวดหลงนั่นแหละทางภาษาวิชาการเขาเรียกว่าโลภะ คือความโลภเราต้องรู้หน่อยนะเราพูดหมดโลภโกรธหลงพูดพูดพูดทีนี้ต้องรู้เนื้อหาวันนะโลภคืออะไรโลภเป็นต้นเหตุให้เกิดการลักขโมยการปล้นการหลอกลวงการช่อโกงเป็นต้นเมื่อเรามีความโลภแล้วเรากล้าทำทุกอย่างเรากล้าโกหกกล้าหลอกลวงกล้าช่อโกงนะ กล้าเป็นโจนป่นเลยนะอันนี้ตัวแรกตัวที่สองคือโทสะโทสะคืออะไรโทรสะคือความคิดร้ายเป็นต้นเหตุให้เกิดการล้างผานล้างผานกันการฆ่าฟันการทะเลวิวาสการพูดจาหยาบคายเป็นต้นตอนนี้สังคมบ้านเรากำลังเกิดโทสะ กล้าล้างผานกันพูดจะใส่ร้ายป้ายสีกันนะอันนี้เกิดจากโทสะอันที่สามคือโมหะคือความหลงเป็นต้นเหตุให้เกิดความถือตัวถือตนเกิดความอากติอยู่ความลิสยาความดื้อรั้นเพราะเราหลง ความคิดของตัวเองเราหลงว่าเราถูกมันผิดแม้กระทั่งคนที่เคยเป็นบุญคุณต่อเราแม้กระทั่งประเทศชาติที่เราเกิดอยู่ที่นี่เราโตขึ้นบนที่นี่แต่เนื่องจากความหลงของเราเนี่ยเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเราไม่สนใจหรอกบ้านเมืองมันเสียหายอย่างไรสามตัวนี้ที่เราใช้ภาษาทั่วไปบอกโลภโกรธหลงอันนี้เรียกว่าอากุศลละมูล ซึ่งเรามีตัวนี้อยู่ในตัวเราทีนี้ที่มาของความโลภมันมาจากไหนอยู่ๆมันโลภเลยเหรอเราเกิดมาเราก็โลภเลยเหรอทาสานมันโลภที่อยากได้รถเบนไหมไม่เพราะมันไม่รู้มันคืออะไรเอาเป็นว่าง่ายๆก็คือว่าโลภมาจากตัวตัณหาก็คือตัวอยากโทสะมาจากมานะ ตัวมานะโมหะมาจากทิฏฐิที่เราจากทิฏฐิมานะถ้ารวมกันสองตัวนี้อันนี้ผัตตาตัวใหญ่เลยนะทีนี้โลภโทสะโมหะมาจากตันหามานะทิฏฐิทีนี้ตันหามานะทิฏฐิมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอยู่ๆเกิดมาเรามีตัญหาเลยไหมไม่มี นะสามอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากทางภาษาบาลีเขาเรียกว่าอาสะวะกิเลสอาสะวะกิเลสทีนี้อ า, อาสะวะกิเลสมันคืออะไรมันคืออะไรกันแน่มันทำให้เราเกิดตัณหามาณทิฏฐิและตัณหามาณทิฏฐิทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงใช่ไหม ไอ้ตัวอาสวะกิเลสนี่คืออะไรอาสวะกิเลสเนี่ยคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตทำให้จิตมัวหมองขุ่นมัวอาสวะกิเลสมีอยู่สี่อย่างตอนนี้มันแตกไปแล้วนะโอ้กิเลสกิเลสฉันมีกิเลสอยู่นะเออฉันรู้อยู่มันไม่ดีแต่ฉันมีกิเลสอ่ะกิเลสคืออะไรรู้หรือเปล่า พูดลอยๆไม่ได้นะยิ่งเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องรู้ว่าที่มาที่ไปของมันยัางนั้นเราไม่งั้นเราจัดการปัญหาเราไม่ได้นะอสวกิเลสเนี่ยเขาแยกเป็นสี่อย่างหนึ่งกามกามได้แก่ความติดใจรักให้อยู่ในกา ม, มะคุณ ความติดใจลักไข้อยู่ในกามมาคุณกามมาคุณนี่คืออะไรการมมาคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสังเกตดูนะเราติดเรื่องนี้ไหมรูปเราชอบชอบสวยๆงามๆใช่ไหมเห็นไหมเด็กคนหนึ่งอายุสองขวบยังไม่ไปโรงเรียน มีรถเก๋งสีแดงคันหนึ่งวิ่งมาเด็กคนนี้มันไม่รู้ว่าคืออะไรมันรู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งวิ่งมามันไม่มีความอยากได้หรือไม่อยากได้เพราะมันไม่รู้คืออะไรแต่พอเราเรารู้แล้วว่าให้รถเก๋งมันเท่กว่ารถกระบะนะเรารู้แล้วว่าอันนี้สีแดงสีเหลืองนะเอ้ยเราชอบสีแดงระบ่มเพาะความชอบของเราก็าไป อันนี้คือกามเราปรุงแต่งขึ้นมาเองนะมันก็กลายเป็นความเคยชินเรานะอันนี้คือกามตัวที่สองคือภพภพชาติตัวภพนะได้แก่ความติดอยู่ในภพความอยากเป็นโน่นเป็นนี่หลวงปู่มั่น ท้ำที่ท่านระเบิดนั้นน่ะก่อนจะระเบิดท่านระลึกอดีตได้ว่าท่านเคยเป็นสุนัขอยู่ในแถวนั้นห้าร้อยชาห้าร้อยชาพรจิตเราไปยึดติดเราพอใจกับตัวนั้นแน่ติดพบชีวิตนี้เราหลงว่าตัวเองเราเราหลงตัวเองเราพอใจกับความที่เราเป็นอัตานะเห็นไหม อันนี้เรียกว่าพบคือเราติดอยากเป็นโน่อนอยากเป็นนี่นะอันนี้คือพบอันที่สามคือทิฏฐิทิฏฐินี่ได้แก่ความเห็นผิดความหัวดื้อหัวลันทิฏฐินิมเป็นกลางๆถ้าทิฏฐิในฝ่ายลบเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ ท่าทิติในฝ่ายบวกเรียกว่าสมมาทิติทิติมกลางๆแต่ถ้าเราหลงติดเมื่อเมื่อไหลปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปสู่หมวดฝ่ายลบทันทีติดก็คือหลงไอ้ทิติมานะเนี่ยเราหลงในความคิดของตัวเองในความเชื่อของตัวเองทุกวันนี้ที่มันด่ากันทะเลาะกันที่ไปว่าเขาผิดเราถูกคนเดียวเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องทิติ อันที่สี่เนี่ยเป็นตัวแรงที่สุดนะเป็นตัวที่เราปรุงแต่งขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะยุคนี้แรงมากโดยเฉพาะนักเรียนรู้นักวิชาการต่างๆต้องสำรวมระวังตัวที่สี่นี่คือตัวอวิชาทีนี้ในตำลาเขาเขียนว่าได้แก่ความไม่รู้จริงผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอกมันก็ไม่รู้จริงอ่ะถ้ามันไม่รู้ถ้ามันรู้จริงมันก็ไม่หาเรื่องทุกไงแต่จริงๆแล้วนี่ สำหรับพวกครูแล้วไอ้คำนี้มันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เขาบอกได้แก่ความไม่รู้จริงจริงๆแล้วมันคือความรู้แต่มันรู้ผิดไม่ใช่มันไม่รู้มันไม่รู้จริงก็ใช่แหละมันไม่มันไม่รู้จริงแน่นอนอยู่แล้วถ้ามันรู้จริงมันก็ไม่เป็นแบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วคำว่าอวิชชาเนี่ยมันรู้แต่มันรู้ผิดมันรู้ว่าชนะถึงดี มันรู้ว่าเอาเปรียบเขาถึงดีนะอันนี้มันเป็นความรู้ผิดนะเป็นความลุ่มหลงมัวเมานะสี่อย่างนี้เรียกว่าอาสะวะกิเลสอย่างเราทำอะไรบ่อยๆเรากินหวานบ่อยๆเราก็ไปติดหวานเห็นไหมเราติดหวานเนี่ยเป็นกิเลสเราแล้วเป็นนิสัยเราแล้ว เมื่อเราตอกย้ำนิสัยเรานานๆเข้าปุ๊บเนี่ยมันเคยมีนักวิชาการเนี่ยเขาเคยวิจัยเรื่องนี้นะทํากี่ครั้งกลายเป็นนิสัยแล้วทํากี่ครั้งกลายเป็นสันดานกลายเป็นสันดานแล้วเปลี่ยนยากแล้วสันดานทํากี่ครั้งทําไปนา น, านๆกลายเป็นอนุสัยละเอียดขึ้นเลยนะ อันนี้กลายเป็นอาสวะกิเลสที่มันฝังลากลึกกลายเป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นอนุสัยเราแล้วไอ้ตัวนี้คือที่มาของทั้งหมดไอ้ตัวนี้เป็นของใหม่ในชาตินี้ที่เราสร้างขึ้นมาเองเราปรุงแต่งจนกลายเป็นความเคยชินประทับจิตติดวิญญาณกลายเป็นอกุศลละมูล มูลเหตุของการสร้างกรรมทีนี้พกคูก็เขียนชร์ทไว้หลังจากพ่อคูมีโอกาสเปิดเปิดเปิดใช้เวลาสิบนาทีมันโยงไปโยงมามากเลยแต่มันหลอกให้พระคูงงไม่ได้เขาไม่ได้เขียนอะไรผิดอยู่ที่ว่าเราจะจับใจความ โยงเขาคือท ร, ร ม, มากวิเจ้าเป่งออกมามันไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างเอกเทศไม่มีแม้แต่หนึ่งสูตรเอกเทศเขาเชื่อมโยงกันไปหมดนั่นแหล ะ, ะทีนี้พ่อครูเคยบอกว่าเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่า<ม>เด็กชายแดง<ม>เด็กชายดอนเนี่ยวิ่งร้อยเมตรแข่งกันวิ่งไปถึงห้าสิบเมตรเด็กชายแดงล้มลงไป ว่าเข่าแตกร้องไห้ใหญ่เลยคุณแม่วิ่งมาลูกคุณแม่ทุกมากเพราะคุณแม่รักลูกมากคุณแม่รู้ว่าลูกเนี่ยมันทุกนะเพราะมันร้องไห้คุณแม่บอกลูกหยุดร้องไห้หยุดร้องไห้นะเดี๋ยวแม่ซื้อขนมให้ซื้อจักรยานให้เอาของมาล่อมันให้มันหยุดร้องไห้ เพราะคุณแม่ได้ยินเสียงร้องไห้คุณแม่ก็ทุกข์มากๆจะขาดใจตายทีนี้เด็กคนหนึ่งวิ่งมาคุณแม่คุณแม่เนี่ยที่มันร้องไห้เนี่ยเพราะมันลม้มเพราะมันลม้มเห็นไหมหัวเขาแตกด้วยเห็นหแทนที่ตอนนั้นแม่ตกใจอยากให้ลูกหยุดร้องไห้เนี่ยก็เลยลืมมองว่าลูกหัวเขามันแตกแทนที่จะพาลูกรีบๆไปรักษาหัวเขาใช่ไหม จะดับทุกข์ให้ลูกคือดับคือให้หยุดร้องไห้ลูกคุณแม่เข้าใจว่าที่มันทุกข์เพราะมันร้องไห้ทีนี้มีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาอีกบอกว่าฉันเห็นนะไอ้เจ้าแดงที่มันล้มเนี่ยเพราะมันขัดขาตัวเองไม่มีใครผลักมันเลยฉันเห็นชัดเลยมันมันขัดขาตัวเองอีกคนหนึ่งวิ่งมาเนี่ยบอกฉันเห็นมากกว่าเธออีกที่นายแดงมันขัดขาตัวเองเนี่ยเพราะมันวิ่งไวเกินไป มันซอใหญ่เลยอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายแดงมันบอกฉันรู้มากกว่าใครๆทั้งหมดเพราะเจ้าแดงเนี่ยที่มันวิ่งไวเกินไปมันบอกฉันว่ามันอยากชนะมันมีตันหางผู้เจ้าจึงบอกดับทุกขดับที่ต้นเหตุแห่งทุกคือตัวตันหาทุกสมูทัยนี่โลดมัก สมุทัยคือตัวตันหาทีนี้เราต้องรู้กันว่าไอ้ตันหามันเกิดมาจากอะไรที่เมื่อกี้พอ่อคูไล่ให้ฟังแล้วนะเห็นไหมแล้วตันหาอยู่ๆมันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นลอยๆเลยเหรอมันมีเกิดมาก็มีตันหาเลยเหรอไม่ใช่นะทีนี้พกครูเขียนชาร์ตไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะปินออกมาให้ดูนะ อกุศลเนี่ยอกุศลละมูลเนี่ยทําไมเป็นอกุศลเพราะมันมีอะไรเพราะมันมีอาสวะกิเลสอยู่ข้างในก็คือมีกามมีภพมีทิติมีอวิชชานะทีนีมน้มันก็ส่งผลให้เกิดตัณหามาณนะทิติตัณหาก็ทําให้เกิดโลภะมาณทําให้เกิดโทสะ ทิฏฐิทำให้เกิดโมหะโลภะโทสะโมหะมันไม่ได้เกิดขึ้น ล, ลอยๆมันมีที่มาของมันมันเรียงลำดับนะทีนี้เมื่อมันมีโลภะโทสะโมหะแล้วเนี่ยมันก็ทำให้จิตเราเป็นไม่เป็นกุศลแล้วกลายเป็นอกุศลจิตจิตซึ่งเป็นอกุศลเมื่อจิตเป็นอกุศลแล้วเนี่ยมันก็มีอกุศลเจตนา มันทำอะไรมันเนื่องด้วยเจตนาที่ไม่ดีเจตวาที่เป็นอกุศลแต่ถ้าเราบันทึกสัญญานะเป็นกุศลนะเป็นกุศลเป็นฝ่ายกุศลนะเราก็ทำอะไรเป็นกุศลละจิตอันนี้เราบันทึกเป็นอกุศลละมูลเป็นฝ่ายอากุศลเราก็มีอกุศลลจิตเราก็ทำอะไรมีเจตนาแบบอกุศลเจตนานี่แหละสร้างอาคติ ทำให้เราชอบเราชังเรากลัวเราหลงทุกทีเราทําอะไรโดยละอคติทั้งนั้นแหละมันถึงคุยกันไม่รู้เรื่องอคตินี้ก็ทําให้เราสร้างอกุศ ล, ลกรรมที่เราสร้างกรรมต่างๆเราโกโหกเขาแม้กระทั่งเราชอบเขาอยู่ เราก็บอกฉันรักเธอมากๆนะตายแทนเธอก็ได้เราพูดจากเรามีอคติเพราะเรากำลังชอบเรากำลังหลงอยู่แต่จริงๆแล้วพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็ได้ยินข่าวข่าวหลายข่าวเลยเป็นแฟนกันเก่าพอทะเลาะ ก, กันแฟนก็ไปมีหนุ่มคนอื่นก็ปืนไปยิงเขาตาย ใช่ไหมพ่อมีอกุศลสรูลมันมีอคติมันก็ไปสร้างอากขุสลกรรมทีนี้อกขุสลกรรมมันก็ส่งผลให้กลายเป็นวิบากกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะมันก็เกิดเรื่องเจ้ากรรมในเวรที่ถามพ่อครูเหล่านี้แหละมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในจิตใต้สํานึกของเรา ที่มันบันทึกเป็นสัญญาในอดีตสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิตนี่แหละถ้าเจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยเป็นฝ่ายบวกก็เกิดอารมณ์เทวดาในจิตเราถ้ามันเป็นฝ่ายลบเจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยเป็นฝ่ายลบ มันก็แสดงอารมณ์ออกถึงเป็นอสุรลกายเป็นนรกอยู่ในใจเราอยู่ข้างในนี้หมดไม่ต้องแก้ที่คนอื่นผู้เจ้าบอกอัตตเหตอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่แหละสาเหตุที่พวกเราเนี่ยต้องปล่อยวางวิถีข้างนอกแล้วมุ่งมั่นมาเป็นเพียรเพื่อจะมาชำระจิตให้ผ่องใส ที่มันไม่ผ่องใสเพราะมันมัวหมองในตำราเขาเขียนว่าเศร้าหมองเพราะกูไม่อยากใช้คำนี้เพราะว่าเศร้าหมองเนี่ยเราได้ยินปุ๊บมันเศร้ามันเป็นผลแล้วมันเป็นผลมันเนื่องจากมันมีกิเลสมันคือเหตุกิเลสมันเป็นเหตุ แต่เศร้าหมองเนี่ยมันเป็นผลของกิเลสเหมือนเหมือนโลภโกรธหลงทุกคนเรียกว่าเรามีกิเลสโลภโรกรธหลงไม่ใช่กิเลสโลภโกรธหลงคือผลของกิเลสและโลภโกรธหลงก็เป็นเหตุเนื่องจากเรามีโลภโกรธหลงเราก็ไปสร้างกรรมเราก็รับผลของกรรมเห็นไหมมันเป็นปฏิสมุตบาทมันเป็นหลักอริยสัจสี่ มันเป็นเหตุในตัวมันเป็นผลในตัวมันแต่เราต้องรู้ว่าลำลำลับลำหลำับชั้นมันเป็นยังไงเราถึงแก้ที่ต้นเหตุของมันดับทุกขดับที่ต้นเหตุแห่งทุกตอนนี้เราถ้าเราดับแค่ตัณหาเนี่ยนะตัณหาคือที่มาของทุกขก็ถูกแล้วคือที่มาของทุกแต่เราต้องรู้ว่าแล้วตัณหามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นเพราะเรามีกิเลส เมียสาวกิเลสมันทําให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุตตปทานทำให้เกิดทุกข์เราคิดว่าเราจะดับตัณหาแล้ก็ไปฝึกสติฝึกสติเพื่อให้รู้เท่าทันเหมือนเรายิงเป้าบินนั่นแหละนั่นคือฝึกสตินะมึงขึ้นมากูยิงยิงนะถ้าเราเรารู้เท่าทันมันจริงปุ๊บเนี่ยเรารู้เท่าทันกิเลสมันปุ๊บเนี่ยตัณหาก็ไม่เกิดอุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดเราก็ดับทุกข์ได้ชั่วคราว แต่อาสวะกิเลสมันก็ยังอยู่นี่หละต้องขัดเกาจิตให้ผ่องใสส่วนการเจริญสตินั้นเน่ะเอามาใช้ชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้กิเลมันพัฒนาไปตัณหาถ้าพัฒนาสู่ตัณหาพวกมันจะไปสร้างกรรมใหม่อันนี้ก็เหมือนยาพารานะบางครั้งต้องใช้มันเป็นเฉพาะการแต่ใช้ไปเรื่อยๆแพ้ยา เป็นสารตกค้างนะที่พูดพ่อครูเรียงลดับให้ฟังว่านี่แหละถึงเข้าใจว่าทีนี้พระพูดเจ้าไปตัดสรู้สิ่งนี้ที่พ่อคูบอกว่าวินาทีที่เกิดอาการระเบิด2ี่สบหกปีก่อนเนี่ยเลิกนับถือพระพุทธเจ้าทันทีเลยเพราะคำว่า น, นับถือมันหยาบไปบูชาถวายชีวิตพระองค์พระองค์ไปรู้สิ่งนี้ได้อย่างไร นี่คือความยิ่งใหญ่ไปเห็นมันได้อย่างไรเพราะตลอดชีวิตรเราถูกสอนว่าลืมตาแหกตาดูกว้างๆนะไปมองไกลๆนะมองไกลๆมองไปประเทศนั้นประเทศนี้มองไปโน่นดาวอังคารดาวพุธพอหลับตาก็เหมือนคนตาบอดเราไม่เคยถูกสอนว่าหลับตาเขาไปมองเห็นความจริงข้างในผู้เจ้าไปตัดสินสิ่งนี้ได้อย่างไรอันนี้ใหญ่แล้วนะ ถ้าใหญ่ก็สามสิบเอร์ซแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้พระองค์รู้วิธีแก้ด้วยอันนั้นเจ็ดสิบเอร์เซพระองค์ก็เรียบเรียงถึงว่าไปเห็นว่าต้นเหตุของมันมันคือมีอสวกิเลสพระองค์เลยไปตัดสล้วิชาสามเรียกว่าวิชาสามวิชาแรกคือบุคเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าด้วยการรลลัลรสชาติ ของเราที่นี่หลายคนทาได้แล้วแต่ไม่ได้จบอยู่ที่ตรงนั้นไอ้ตัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราไปเรียนรู้กับธรรมในธรรมธรรมลมในอดีตมันจะเกิดปัญญาระดับหนึ่งเพื่อทำให้จิตปัจจุบันเนี่ยจางคายความยึดมั่นถือมั่นมันจะดึงให้เราเข้าไปเห็นความจริงเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นการเกิดแก่เจ็บตาย เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นกฎแห่งกรรมนะอันนั้นก็คือเป็นวิชาแรกทีนี้ไอ้ที่พระองค์ไปเห็นอดีตทําให้พระองค์ตัดสรุปวิชาที่สองคือจตุปาตยานยานรู้ว่าในการเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมทํำไมเกิดเป็นนายกทำไมเกิดเป็นนายขอทำไมเกิดมาไอคิวสูงทํำไมเกิดมาไอคิวต่าง ทำไมเกิดมาขาเป๋เป็นเพียเป็นง่อยเดินไม่ได้ทำไมเกิดมาแข็งแรงไอคิวสูงพระองค์ไปเห็นความจริงว่ากรรมเป็นตัวกำหนดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทีนี้พระองค์ก็ไปเห็นว่าแล้วต้นเหตุที่เราสร้างกรรมมาจากไหนเห็นไหมเมื่อกี้พ่อขูชี้เลยนะ จากอาสวะกิเลสเนี่ยซึ่งเป็นตัวกามภพทิติอวิชชาที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองอวิชชาที่เราเรียนรู้ผิดเนี่ยนะใส่ข้อมูลผิดเข้าไปนะในข้อมูลนั้นน่ะก็สร้างตันหามานะทิติให้เราไอ้ตันหานี่ก็สร้างความโลภความโลภไอ้มานะก็สร้างโทสะไอ้ทิตินี่ก็สร้างโมหะความหลง มันก็ทำให้จิตเราเป็นอกุศลและจิตเมื่อเป็นอกุศลและจิตมันก็เป็นอกุศลเจตนาก็เกิดอคติขึ้นอค ต, ติตรงนี้ก็ทำให้เราสร้างอากุศลกรรมก็กลายเป็นวิบากกรรมพู้เจ้าเป็นตัดสรู้สิ่งนี้วิชาที่สองคือจุดุปาตยานยานรู้ว่าในการเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรม ไม่ใช่ยมพบาลที่ไหนไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนมากำหนดกำหนดให้เราเกิดเป็นน้นเป็นนี่กรรมที่เราสร้างเนะ่ยเป็นตัวกำหนดที่มันบันทึกอยู่ในจิตเรานั่นแหละกลายเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณฝ่ายบวกกับฝ่ายลบนะทีนี้พระองค์ไปเห็นว่าเราก็หลงสร้างกรรมมาตั้งหลายภพหลายชาติแล้วจะมาจ่ายชาตินี้หมดได้อย่างไร ทีีพระองค์ก็ไปเห็นว่าต้นเหตุที่เราสร้างกรรมเพราะเรามีอาสะวะกิเลสไงพระองค์เลยไปนค้นพบวิชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล น, นี้ก็คืออาสะวะขยะา ย, ายานรู้ว่าด้วยการกําจัดอาสะวะกิเลสอันนี้คือคําตอบนี่คือวิชาสามมันไม่หลุดไปไหน ส่วนเทคนิคอุบายวิธีในการฝึกจิตสร้างกําลังให้จิตแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายมี 84% ดหมี่พันวิธรีรมขันแม้กระทั่งสี่กองกรรมาฐานพผู้เจ้าบอกว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเยอะมากสิ่งที่พอเอาองค์อามาสอเป็นแค่ใบไม้กำมือเดียวนะแค่เอาใบเดียวทําจริงๆจังๆน่ยทุกคนก็บรรู้ได้หมดละลายเอาจริงไหมอย่าไปนั่งเถียงกันว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดมึงสอนผิดกูสอนถูก เถียงกัอยู่เนิ้นไม่เคยปฏิบัติเลยอย่างนี้นะมันไม่ไปไหนแล้วไปว่าเขาว่าเขานั่นแหละเป็นวจีกรรมนะอกุศลกรรมเนี่ยมันเริ่มจากมโนกรรมความคิดซึ่งเป็นอกุศลมันก็มีเจตนาที่เป็นอกุศลมันก็สร้างวาจีกรรมมโนทุจริตวจีทุจริตก็เป็นกรรมหมดนะ ใช่แล้วก็กลายทุจริตก็กลายเป็นอักุศุลกรรมอยู่ที่ว่าเราใส่ข้อมูลข้อมูลนี่เห็นไหมถ้าเราใส่ข้อมูลไม่ดีฝ่ายชั่วมันก็เป็นอักขุศลมูลถ้าเราใส่ข้อมูลที่มันเป็นกุศลมันก็เป็นกุศลละมูลมูลเหตุที่ทําให้เราทําดีแต่ตอนนี้เราเผลอเรามีทั้งสองด้านนะนะเรามีทั้งสองสองด้านนั่นแหละ เมื่อเราเจอคำสอนพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็มาเพิ่มด้านกุศลเข้าไปเยอะๆเหมือนน้ำแก้วห น, นึ่งเนี่ยมันมันดาๆใช่ไหมเหม็นไ้มเราก็เทน้ำใสเข้าไปเนน้ำใสเจือจางมันเจือจางไปเจือจางไปบ่อยๆฝ่ายกุศลมันก็มากกว่ามันก็เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลกุศลละจิตมันก็มีเจตนาที่เป็นกุศลมันก็ทา ทำอะไรซึ่งเป็นกุศลไม่ใช่เป็นอกุศลละก ร, รมนะผลของมันก็คือเป็นกุศลอันนี้เป็นหลักธรรมชาติทั่วๆไปนะอาสวะกิเลศจึงเป็นที่มาของทั้งหมดนะพราะครูทึ่งบอกว่าคำว่าบูชาพระ อ, องค์เนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยคำว่าบูชายังหยาบไป พระ อ, องค์ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะใช้คำว่า น, นับถือไม่กระทั่งบูชาแต่มันไม่มีภาษาอะไรที่ที่พระ อ, องค์พระผู้เจ้าไม่หยอกให้เราสรรเสริญพระ อ, องค์หรอกแต่พยายามสะท้อนให้เห็นความความที่ยิ่งใหญ่พระ อ, องค์ไปเห็นได้อย่างไรรู้วิธีแก้ด้วยแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ซับซ้อนอะไรมากมายมันตรงตรงตรงๆ ง, ร ง, รงเรายกเราก็หนักเราวางเราก็เบาไม่ต้องไปหาวิธีวาง ไม่ต้องไปหาเทคนิควางวางเลยแต่ตอนนี้เราติดบ่วงวิชาที่เราไปเรียนมาว่าต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เมื่อเราชอบแบบนั้นเราหลงแบบนั้นก็กลายเป็นอคติของเราเราก็ไปหลงมันต้องไปก่าหาว่าคนอื่นเขาถูกเขาผิดคลื่นตอนนี้เป็นแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั้งโลก เพราะมนุษย์เสียชาติเราทุกวันนี้เนี่ยมันมีอคตินะเพราะมันมีอาสะวะกิเลสมันถูกใส่ข้อมูลผิดเข้าไปก็ให้ให้เรารู้มองภาพแค่นี้ไม่ต้องจำ มันจะไปสร้างศรัทธาให้รู้ว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่เวลาเราเสียเวลาแม้แต่หนึ่งนาทีเนี่ยไม่ได้นะชีวิตเราเนี่ยมันมีเวลาจำกัดก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยต้องมีสติมีสมาธิใช้ปัญญานะ พ่อครูหลายปีแล้วเนี่ยไม่ค่อยไปอ่านหนังสือเพราะครูไม่สงสัยอะไรแต่บางครั้งมีคําถามแล้วเป็นเป็นคําถามที่ถามบ่อยๆบยๆทีนี้ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่วิตกจริตเพราะอาวิชามันแรงมากทําให้อัคติเนี่ยแรงมากอัคติจนครอบครัวเดียวกันคุยกันไม่รู้เรื่องคนในแผ่นดินเดียวกันคุยกันไม่รู้เรื่อง คนในโลกใบเดียวกันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปแก้ที่ปาเหตุเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะเธอคอร์รัปชันเธอเลวเธอโกงชาติอันนี้มันเลวมากแต่คนที่เลวกว่าคือคนที่กำลังไปว่าเขาคุณเป็นคนเลวอย่างยิ่งเพราะคุณก็มีอคติ เพราะคุณตามทิฏฐิมานะของตัวเองคุณพูดตามความหลงของตัวเองมันก็คือกันหมดที่พระครูพูดกลางๆไม่ได้ว่าใครต่อใครเป็นงแต่ว่าเราเห็นขึ้นมันแรงมากยิ่งมายิ่งแรงขึ้นทุกวันนะตอนนี้หมดแล้วนะเมืองไทยมีอะไรที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยเอาลงมาเล่นหมดแล้วเอาลงมาเล่นหมดแล้ว เพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิเราตั้งโจรให้ชีวิตผิดกลายเป็นว่าเรามีอคติเรากบเกินความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐของเราแม้กระทั่งสัญชาตญาณเดิมตามธรรมชาติก็ถูกทำลายทิ้งหมดแล้ว เพราะอาสวะกิเลสนี้เนี่ยมันแรงนะสำหรับพระครูมองแล้วว่าคือเห็นมาตั้งนานแล้วแต่ทุกวันนี้มันเห็นชัดขึ้นว่ามันถึงเวลาจริงๆนะคำว่าถึงเวลานี่มันเป็นเวลาในวัฏสงสารมันเป็นเวลาในเรื่องกฎแห่งกรรมมันถึงเวลาที่มันกำลังจะตัดสมดุล อะไรบางอย่างทำให้มนุษย์เราตอนนี้ถูกครอบงำโดยอคติต่างๆสร้างเวรสร้างกรรมกันด่ากันไปด่ากันมาถามว่าใครถูกใครผิดทะเลาะกันคือผิดผิดศีลผิดธรรมไม่มีเมตตา ไม่มีการุณาไม่มีมุติตาไม่มีอุเบกขาสร้างกำเงินบ้าเล่นสนุกสนานนะกรรมนั้นไม่ได้หายไปไหนนะไม่ใช่พูดไปแล้วก็จบจิตเราบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้นี่แหละคนที่ไปยึดติดกับถูกผิดมีอุดมการ มันยังเข้าไม่ถึงธรรมะเพราะมันถูกอคติมันครอบงำไว้พวกครูบอกว่าพวกครูไม่ต้องการอยากอ่านหนังสือแล้วพวกครูไปอ่านมาพูดทําไมเพราะเมตตาพวกครูทําไมต้องเสียเวลาเหล่านั้นพราพวกเราติดบ่วงไงติดบ่วงรู้รู้ฉันรู้แล้วไม่รู้ ร, รู้จริงแค่ไหนอ้างวิชาการพวกครูก็อ้างได้พวกครูก็อ่านเป็น สำคัญว่าอ่านแล้วเข้าใจแค่ไหนเข้าใจอัฏฐะในพยัญชนะนั้นแค่ไหนแปลถูกแปลผิดแปลเข้าข้างทิติมานะเห็นไหมทิติมานะมันก็เกิดจากอาสวะกิเลสเรานั่นแหละง่ายมากชัดเจนไม่วุ่นวายแต่กิเลสล้วมันไม่เอาไง กิเลสมันไม่ชอบถ้าเรารู้แล้วรู้เท่าทันกิเลสมันก็หลอกเราไม่ได้ไงก็จบที่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะเอาเปนว่าพวกเราบุญกุศลก็เยอะอยู่แล้วแต่อย่าประมาทอาสวะกิเลสเรายังเหลืออยู่นะก็จำคำนี้ไว้ว่าเมื่อประตูแห่งความรู้แจ้งยังไม่เปิด ฉันก็ได้แต่เพียงเฝ้าดูจิตฉันเรื่อยไปไม่ต้องไปดูคนอื่นมากมายนะักตัวเองยังไม่แข็งแรงโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัธนาคุณพระศีลรัตนาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทอญ